คนก็เลยปลบกความเป็นไปเป็นมาที่มาฟักไฟท <c> า <oughs> งด้านเปิด อ, อุรมภาวนาเพราะมีอุปนิสัยอยู่แล้วแต่ว่ายังบ่พอสิเวรล่อมดีซอยมาขามามริกาเคนก็เลยขวนายนะแต่บุญกุศลอันนี้ก็ให้ให้มีกระแสนมิดรยังกลุ่มของยม <c oughs> ดาวงยมเบแม่สีทองพวนี้ พอไ ป, ปฏิบัติก็เข้าก็เลยชวนคนมาศึกษาปฏิบัติเลยสักชวนกันมานั่นนั่นในเรื่องสายธรรมเนี่ยมันเกิดไหลไปหากันคนเฮียนเหมือนคนเฮียนหนังสือก็ไหลไปคนเฮียนหนังสือคนเฮียนปฏิบัติก็ไหลไปหาผู้ปฏิบัติอะาเรียกว่าสายธรรมมันไหลไปตามธาตุตามธาตุของธรรมนะเพราะนั้นใน มูอเหาทั้งหลายในมือ <c oughs> อ่าเป็นให้โอกาสแล้วจึงสี่ให้สถานที่ให้ที่อยู่ที่ทกินทีพ่พักผ้าใัยนนามไฟแล้วเดี๋ยวเขาได้ตังใจพอเห่าปฏิบัติก็ได้ก็เห่านี่ละแล้วผูบมา ก, ก็ะบิ้นะดังนั้นในช่วงจากนี้ไปหอดมือแล้วให้แต่ละมือแต่ละเว้ น, นาการปฏิบัติาการรักษาเวลา การรักษาเจ้าของเห็ดอย่างไรอย่างไดนี่อาจารย์อภัยไปจะทำหน้าที่ปฐมนิเทศให้มื่อนี้หลวงพอมีหน้าที่ภาพปฏิบัตินะนะเบียบตรีทั่วไปการกากับทำวัดสนมุนเสาแรงงนต่างๆให้อาจารย์ภัยดูแลช่วยกันนะกรณีมุนอาจารย์อภัยได้เบาเรื่องทั่วไปฟังเกี่ยวกับปฐมนิเทศน ความกคารพหลวงพ่อมาดเด็กนะครับผมแล้วกราบขอโอกาสด้านพระจันทร์ดวงพเนรซึ่งฟังพันบอกเลยโอ้มีแหงใจเหายากได้พระมาแตกฟังทั้งสายซิมามีความสนใจทั้งนี้เพราะว่าตามะโหจากหลายองค์อยู่ส่วนมากก็มีตะพูที่เพิ่นขำมาอยู่เมืองไทยมาศึกษาแล้วเพิ่นก็คอยมาซืมอซับ เห็นปฏิปทาจังประคุกขําแดงเป็นต้นเอาเสียนะอยู่ฝรั่งเศสนะแสดงก็ถือว่าเพิรนมีดวงตาแล้วแต่ว่าเพิ่์มฮันได้พ่อเป็นว่ากาลยานนิมิตนะเป็นกระเมาะเมลายแล้วว่าฟั้างฟันบ่าวเราเป็นจะเป็นก็เอาโตัวหลอดเพิร์อยู่หรอกนะเห็นจำได้กัผู้ที่อยู่พี่กับซอยซอยกันเพราะว่าจังเพิร์ว่านนั่นแหะอันนี้คือแกนแท พริจาคบนบอกว่าดูก่อนว่าเสถะว่าสันบุคคลผู้มาทําบุญเนี่ยบุคคลผู้ต้องการต้นไม้ต้องการสาระต้องการแก้นไม่เนี่ยนะแต่ว่ามุ่งไปได้อ่ามาทําบม า, มาทำบุญมามาทำบุญซื่อเนี่ยซอยกันท่านซอยบริจาคจากค่เสยาสาระคนต น, นีแกตัเองเนี่ยบุคคลนั้นได้สเก็ดไม่ไปว่าสัน สีมาเกณฑ์ใหม่ด้วได้สเก็ตใหม่ถามว่ามีคุณบอมีเพราะว่าวาดัวาดว่าจะเลื่อนหงเหงื่อพึ่นก็เตรียมใจใจเพิ่นดีเจ้าเพิ่นเสียสละได้นะ่ะะถามว่ามีบอมีมุ่งตรงมาสู่ทางอยู่แต่ว่าบัตรได้แต่บัตได้สเก็ตใหม่เองสินะมาที่นี่เพิ่นว่าบุคคลผู้มาท่านเนยได้สเก็ตใหม่ผู้มารักษาศีล ไ, ได้อย่างนี่ง ผู้มารักษาศีลผู<ๆ>้มารักษาศีลได้เปลือกไหม <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> เอ<า><ๆ>เอคืออย่าบมือไม่ตัวนี้ตัวคุณมันเมือยรอมันเสียงมันไกลต้องมีต้องมีไม่ตัวใกล้ๆนี่ยเราต้องเอาไก่แล้วเขาเบาปากเป้าก็ได้ยินกันอยู่แล้วคือไก่กันๆๆนะคือบุคคลผู้มารักษาศีลเนี่ย ได้เปลือกไม่เลยนะแต่ว่าเป็นเครื่องนั่งไปสู้ใจอยู่แกนอยู่ถาว่าบ่ารักษาได้บ่ก็บ่ได้อรัต้องรักษานะต้องมีซีนน่ยเป็นตัวเขาไปเขาสับไม่ต้อไปบาดแรกต้องถือเปลือกถือแกนถือกระพี้ซะก่อนนะประเด็นนี้ผู้มัติปฏิบัติสมาธิได้อยังไงเนี่ยบุคคลผู้ปฏิบัติสมาธิได้กะพี้ไหมเพราะว่าสินเนี่ยได้กะพี้เนี่ยบ่บรรดาเด็แกนเนี่ยภูมิขดมานังสมาธิรเราได้ไ หัวจากกระพีป้องก่อนจะหดแกนเนี่ยแันไม่มันสิเหมือนผมสีเหลืองๆห่ อ, หออีกเีหนึงนะเน่ยไม่มันจิมีสเก็ดมีเปลือกมีกระพีแล้วค่อยมีแกนเดียต้นบบมีกระพีไม่ก็ตายทันแล้วเนะเออกระพีตัวที่มันหอ่อห่มค่อยเป็นแกนทีหลังนะครผู้ที่มาหาประพฤติปฏิบัตินั่งสมาธิเนี่ยได้กระพีไม่ แต่ผู้มาเจริญปัญญานะจะเจริญปัญญาจะได้อย่างไรล่ะเจริญวิปัสสนาให้เห็นแจ้งตอนเขานั่งปฏิบัติเจเริญว่าภาวนาอยู่ได้ไหนบ้านใดบ้าดบ้ดเป็นวิปัสสนา<ม>เป็นภาวนาภาวนาปโขดีกาตา<ม>เหตุเหตมันมากมเห็หุเหตมีภาวนาไปาเหตุเหตมีให้เป็นจนกว่าเขาสิเกิดปัญญา เกิดตัญญาเห็นลู่แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมตัวใดแน่ล่ะเห็นทุกเห็นอริยสัจเห็นไตลักษณ์เห็นสมมุติเห็นธรรมะพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงนะโพชฌงโพธิปักเทียท่ามสามเประการศมิต้นะเขาเห็นหมดเขาที่เป็นวิปัสนาไปไเห็นแจ้งวิปัสนาไปไปเห็นแจ้งเห็นแจ้งว่าจังไรเห็นแจ้งว่าเกิดแจ้เก็บตายเปนเรื่องธรรมดาเนาะทุกข์ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีทุกคนหาเหตุทุกข์ก่อนอย่าง ยอนห 56, istol, people, to, mm ้าวยึดม mm ั hmm. ่นถ so ือมั่นยอนห้าวมีโต้มีตนคือเหตุมั่นไงก็หาทางละมันตัวนึ่ละโตละตนนะก็เป็นนิโรธก็เป็นมากไปค่อยสิเป็นวิปัสนาไห้ฉะนั้นผู้ใดวิปัสนาปั๊บผู้นั้นค่อยเสด็แก่นใหม่ด้วยนะแม่สีท่องได้แก่นไปเอ้าบัตถุยางแต่เราต้องย่ำปลูกต้อเอาบัตถุย่างเด้่าเปลือกกระพีก็เอา เปลอกก็เอาเปลือกเป็นตัวเรื่องแกนไม่ไหวนะบอไซนว่าโอ๊ยเอาอย่างเดียวว่าเอาอนอื่นเนี่ยอยู่ว่าต้องขอบ่ได้แล้วนั้นบะ่ละท่านก็บอรรณโนมนะ่ะศีลก็บรรักษาสมาธิก็บรเหิตผู้ขาสิบเอท่านทำคว่ำหูจักเลี่ยนทำควมำหัวใจเอาเฉพาะแกนอย่างเดียวนีว่บ่ได้อเพราะว่าอย่างแกนที่มาเกิดจากสมาธิทำก็ตั้งมันโมโยูเแค่ไหนล่มได้ดกันบ่งอกบอก่เงย นายุไส่อดอยากฉันันมณีเฮามากเลยมากเริ่มเปลือกกระพียเขาได้หลแล้วล่ะแม่นบอกแต่มาว่าเต็มบ้านะกระพียเขานี่กระพียหลายแล้วจำเม่วาดแม่เฉลยภาพพยยามวัดอ่ะอาจารย์อะไเงาวัดชัมงคลอาจารย์สุพัฒนไปเห็นลูกนิมิตกได้จองแล้วเพิได้เปลือกมาแต่เปลือกมึงงนึงเฮือได้จอไปจองลูกนิมิตเพิร์ดาลูกหนึ่ง สิฟ้ามาถวายดอกพลัมวันวันที่เศร้าเก่าเสพเทมเบอร์พลัมใ่ไประชุมเมื่อเพิ่นได้เปลือกติดเปลือกเนนึงพละมมาฝากหมอาสาสาธุนะเพิ่นตัวสาธุเออเพราะว่าเพิ่นเพิ่นมีเพิ่นมีแห้งงัดแกนออกเพิ่นมีแห้งงัดเปลือกออกนะเพิ่นก็เลยได้เปลือกนึงก็บอกไปอย่างก็ดีโยนะเฮตไหวัดว่าอารามอยู่ใด นั่นละเช่นนันมื่อนีก็เป็นมือวันวิสาขบชูชาก็อยากวอาจากน้อยหนึ่งเกี่ยวกับวิสาขเพราะเป็นน่ะความหูห้องอย่างคีลายก็เป็นน่ะนําไปสู่วิปัสสนาได้น่ ะ, น ะ, นะย้อนยังย่อนน้ำเนึ ก, นกถึงพุทธเจ้าเนี่ยจังผู้ใดไปอินเดียเนี่ยผู้ใดไปยัง้งหรือผู้ดไปให้เบิงแขกรอกไปจุดประสงค์ไปเบงิง อมองประสูตรมองตัดสรุปมองปริญญ่านเพื่อนั่นะจากรตมาวาเนี่ยต่กอนียเอ้ยไปยังอินเดียว่า่งประสูตรตัดสรุปปริญาผานยุ่จ่ายห้หบดแล้วนะคือมันเกิดแจ่เก็บตายยุ่ในห้าบดแล้นะเต้องนั่ไปดอกะนะแต่บัดไปแล้วมันก็ได้มิติอีกความโสึกนนห น, นึ่งนะเหตุในห้องนะเห็นสัธรรหลายสิ่งหลายอย่างโอ้ก็ยอนพระเจ้าบนตัดสรุปไปอินเดียน่ย ขันเพลน ม, มาอยู่อเมริกาเขาสิบหตัสรุปพระพุทธเจ้าธมาวานะ่ะเออไปไปอินเดียเรอโอ้ยนะะไปตะปอยไปตะปงไแต่ว่างเพราะว่าวัตถุนิยมมันหน่อยเพล่นวานเป็นสองอวัยก็ศาสาศนาอินเดียนล ะ, ล, ะละทิอ่ะนะต่างคนต่างสแสวงหาต่างคนต่างขว้าทุกมือก็ยังหาอยู่ตลอดขอันพระพุทธเจ้าหาไปให้แล้วยังบเบาเวยหาเอาไม่สนะ่ะบอมักนำสิ่งที่พระเจ้าหา นะลบเลื่อนไปหาไม่หาแบบก็เก่าเขานัา่นละนะไปอาบน้ า, น า, ามาาของคาแน่ไปทรมานเั้ของแน่ไปเป็นดาบดเป็นโยคกขี้ไปในเฮสมัมมาทิไปเอากระพีไม่อันนี้เอิยนว่าอินเดียฉะนั้นมองไปมองต่างต่างนมองประตรลุมพินีทุกมือเข า, เขาไปสั่งพระทูรุปพระที่เจ้ายืน อันยังก็สี่นิ้วอุ่นมาพระเจ้าปฐมปฐมโพุิธสัตว์นะที่จริงเขาได้เป็นพระเจ้าแต่เป็นอ่าพระโอรสกืเอเป็นศิษฐะก็เอกุมารไปมองประสูติมองตัดสรุปผลิตผลไปเบื้องสองที่มันเกี่ยวกับปริเจ้าไปย่างไปเบื้องสวห้อยเกียนเพนื่อนังสินะนะก็เห็นแคลลองรอยเขากะพญ่ำระลึกนึกถึ ง, ถงในพุทธ บ, บัตินะ อาทนี่เขาในวิสาขายาหน้อยหนึ่งเนาะเอาสาระเพิ่มหน่อยเพราะว่าวิสาขานี่ยเพิ่็ไปเวียนเทียนไปท่าบุนตักบาดกันก็ได้ได้เปลือกได้กระพีได้แก่นได้ได้อ่าเปลือกได้ใบไปเตอร์ลายเติร์ย่ดอกก็ดีอยู่ก็รักษาไว้นะรักษาไว้ห้องผู้ที่ฉลาดก็ได้กินผู้บัญชาดก็รักษาไว้ให้นะัวนะเอาที่นี่ คาถาที่เพื่อนตนัดในมือตัดสรูป ม, นะรมือเนี่ยนะเพื่อนตรัดมือนี่ยนะมือเพื่อนตัดยุ่ธสามคาถาในมือเนี่ยนะสําคัญสําคัญนะอเพราะว่าอยังเพราะว่ามือประสูติเนี่ยหลังจากประสูติแล้วเนี่ยย่างได้จะเก่ากาับเจ็ดเก่ามันบอกเก่าที่หนึ่งเก่าอย่างเก่าที่หนึ่งคือสติเก่าที่สองคือธรรมวิจยะอืม เก้าที่สามคือวิริยะเกาทีคือปีปีติเก้าที่ห้าคือปัสสัทธิเก้าที่หกคือสมาธีสมาิเก้าที่เกียคืออุเบกขาคุณเห็นไ่โอ้เก่งเลยคนวัดป่าพร่ธรรมดาตัวนี้มัเออนะย่างย่างในกียรติก้าเนี่ยะเพิ่นย่างพอแต่เพิ่นย่างสุดเก้าที่เกีดปั๊บแล้วเนี่ยนะเพิ่นบอกเลยว่า อ่าเศโถโลกัตสมิเออเศโถเอ่ททอเศโถเทสเศโถสมิโลกัตสมิงขตมาจำมาผิดฮะคือบอกภาษาไทยเขาหลดาุดว่าเราเป็นผู้เลิอที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนะ ชาติต่อไปไม่มีเกเราอีกแล้วใช่ไนหะอันนี้คืออันนี้คือเพิ่นเอาตามที่พุทธประวัตินะตรัดมือประสูติมือแหลกนะส่วนเก็ดก้าเราค่อยอธิบายทีหลังนะยางไอ้หลังจากเพื่อนตรัดคำเนี่ยเป็นเด็กน้อยอยู่ด้วยนะเนี่ตามตามตำราเพื่อน่ะไหนะพอแต่ขอดจากทองแม่ปับลงมายางเลยเ่ยมธรรมดาบุคคล นะถามว่าไทยต่อยฝรั่งก็เสียบ่ก็สายหัวเลยเนี่นะเป็นไปบ่ได้นะ Impossible หรือมันฝรั่งบั่ที่นี่พอแต่ว่าตั้งสั้นแล้วเนี่ยมันก็ถาแรกไว้ผนตรัดนะยังไ่ได้เป็นพระุทธเจ้าเด้นะ่ะเพิยงแค่เป็นพบริสัทธาเืยๆนะแต่ที่นี่มือแต่ละ ตัดคาถามือเดียวกันแต่ว่ามือคละว่าละประจนี้มือตัดสลูบอ่ะนะมือตัดสลูหลังจากที่บรรลุน่ะปุเพนิวะาสนาสติยนันปุเพนิวะศาสนาสตินอตีตัง จ, จตุวรัตยานนะครับอสวรคานน่ะสามย่านแล้วเป็นจะค่อยมา เพลงอุทานมนีผ้าสวดอยู่มณีจำได้บ้ที่บอกว่ามนีพระเจ้าตรัสคถานเนี่ยอเนกชาติ ส, สาร้างสร้างรังสั้นทาพิสังอันนี้พิสังเมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารอเนกชาติแต่ก่อนท่าก็บอกูหรอกนะขั้นผู้ใดอารมปรมัตดเหล่าต้องอยซืเข้าใจยัยงขี้ไรยังขี้ไรพวกเรเห็นจิตของปรุงแต่งละ่ะทุกย่อนการปรุงแต่งของละ่ะซืเ ข, ข่าใจคาถานี่บ่ท่านมีบุรีญาตยังรู้นะนะ บอเข้าใจเราปะ้าโตเล่นท่องเที่ยวในสงสารเอกชราสงสารหนึ่งคือวัตาสงสารนะเออแว่นแวตาเกิดของของมนุษย์เนี่ยแหะวตาสองก็คือการเกิดการดับของจิตที่มันคิดแต่ละเลียงแต่ละเลือะเ่องน่ยนะคิดดีคิดซัวคิดดีคิดซัวคิดต้องบดาคิดพอดีบัวซัวก็มี่มี่สามคิดนะมีดีมีซัวมีหักมีสร้างมีกดมีเกลียดมีรักมีโลมีโกลนมุนเวียนเนี่ยวตาสงสารเกิดดับเกิดดับเกิดที่ดะดวงเลย แต่เขาไปเห็นมันเกิดมันด่าพอ่พอว่าอย่างเพราะมันเร็วน่ะว่าต่องศารมันหมุนเร็วขันว่าจะเลื่อสติแล้วสติเป็นตัวเบรกให้หมุนซ่าล่องหมุนซ่าล่องได้แล้วเขาลยมีสติน่ะจะเลื่อสติไปจเจริญสติไปว่าตาสองสาร์เริ่มหมุนซ่าล่องหมุนซ่าล ง, าลงเห็นเกิดเห็นดับว่นนะน่ยความคิดเกิดล่อคิดดับน่ะจังคอยสิที่เก่มันก็หมุนหมุนซ่าลงองอีเลีะที่เก่งมันก็บำว่าซ่าก็บบแมนเนาะแต่สติเขามาเร็วกว่านั่นเนอะ สติมันแรนท่านแต่ก่อนมัมีสติเอาหเหรอ่มันหมุนซื่อผ้ามันหมุนไปเวียนไปเรื่อยคนมีสติเร็วสติมันแรนมันเร็วท่านมันเพราะท่านคูขี่กันไปเนี่ยแปลว่าเห็นหนามนแล้วเนี่ยสติแท้งมั่นกะซ้ำ ม, มั่นบ่เกิดนําเฮาบ่ท่านเฮานั่นหะยุดมันได้ตำรวจที่หยุ ด, ดรถผู้ลายได้ก็ต้องแรนเร็วกว่ารถผู้ไล่เลล ด, ดินะบ่เขาจสต็อปเขาได้ยังนะอันนี้คือขา้าแรก เมื่อยังไม่พบยานแล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติคือมากกว่าหนึ่งชาตินะหาที่สุดเริ่มจุดเริ่มต้นจากไซบงหลวงบางองค์นี่ยละเลิเชาติเป็นแสนชาติแล้วมเบืดอจุ่งชาติเจ้าของเกิดนะแล้วก็ขากาลังคาเวสันโตทุกขาจะติดพุทธพนังนะการการเกิดบ่อยๆไปทุกลําไปขากาลังคาเวสันโตทุกใกล้ การเกิดบ่อยๆหการเวียนว่าตายเกิดแต่ศาสตร์เล้วศสตรเลาการหักการสร้างเทเธอร์กัแล้วมัต้องศาสตร์ที่มันที่แล้วเขาเป็นศาสต์ย่งตอนไหนเป็นศาสตร์เราต้องไปเกี่ยวตอนกันเนาะเอาว่าเขาเกิดแต่ละมือแต่ละเวลาเนี่ยน้อยหักน้อยสร้างน้อยพ่อใจนี่เพราพอใจอยู่นี่นะมันเวียนมันเกิดอยู่เนี่ยเขาทุกซําใดอะทุกบ่อขั้นบ้อนเห็นทุกไปว่าเขายังยังบันดยย่านขั้นเห็นทุกย้อนการปรุงแต่งหรือบันดยย่านแล้ว ขนขณะอยู่ซื้อแนะนำห้เขาปฏิบัติธรรมได้อารมณ์แนะาำได้อยู่ซื้อจิตหูสึกตัวตัวฟอมปั๊บเลวโอ้มันมีแห้งใจเด้อมโนละนคะอมีความสุขเด้เสียเกิดว่าบื่อยากเกิดอีกฉะนั้นหลายคนนี่บื่อยากเกิดเบ่อยากมิซ่าต่อไปอีกนะเดี๋ยวคาถาต่อไปว่าอะก็อะนี่แหน่นายช่างปลูกเรียนเนี่ยเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทําเรือนให้เราไม่ได้ต่อไปนเนี่ยคัาเนี่ย คือคือเห็นโตปุงแต่งอยู่ของอ่ะมันผัดสะเนี่หล่ะผัดสะทั้งตาหูจมูกลิ้นกายขนาดใจเนี่ยก็พูดขึ้นมาคิดเองก็มีนั่งอยู่ซื้อบริษัทัดสะเนี่ยมันพูดขึ้นมาเองอ่ะใจมโนโ อ, อ่าคิดขึ้นมาซื้อเนี่ยนี่คือขั้นพลเห็นว่าโอ้มันคิดออเล่าเนี่ยน่ะเห็นนี่แล้วคิดเล่าขั้นพลเห็นตัวนี้ได้สี่หนาไปเลยนะทุกคนหรอกขั้นพลเรีเคยได้ร่มลุมน้ํามันสี่โหวบัสสี่หนาไปเลยโอ้ตัวนี้มันเห็นเทาถูกอ่ะ ขากาลางังกับนี่แน่ในช่างปลูกเรือนเรารู้ตัวเจ้าเสียแล้วตัวนีล้ำเทือเ่โคงเฮี้ยนเล้เขามันบ่เหี้นยนเหี้ยนจังเลยครับป่งเต็งมินันมินี่ น, น, นะจังว่าจานพนะันวาเนี่ยอัตมาประกาป ร, ริญั่นต่นเท่าแต่ก่อนป ร, ริยั่นเขาเข้าใจทำไมไม่ไหมหนโอ้ยตายข้าพาเลี้ยงดีแล้วท่านกีตันเนี่ยท่นซุมที่ป ร, ริยั่นําการเนี่ยไปวัเนเดียวมูวแต่มาาก็ได เปลนประเด็เมูดพูดหนึ่งก็ว่าเสียว่าอเมริกานํ้องนนอหน้าหน่ะว้ยเห็นพูดยิ่งงา่งามมากเห็นแต่โค้งกระดูกท่านมหาหัวนเนีพยไปติดีเดียร์หัวสนเ น, นี่นว่าวบนทรงภาษาสี่เข้าก็โหร่เลระวางยาฟ้าวปอดมูดมูหมูดที่นาเนี่ยเคยไปแล้วสิวนนะซุ่มถืวอวัตณนก่อนนะเพราะ่า ไ, ไปมากไปอานลเลยก่อนที่ว่าอเมริกาบอมาดานนั้มนะศึกไปแล้วอืมนะ ไปอาดาได้ด้วยเนี่ยนี่แหละเพื่อนว่านาได้ก็นึกเนี่ยเรารู้จิตเจ้าศิละเจ้าจะทําเดือนให้เราไม่ได้ต่อไปแต่ว่าเขาเพอเหตุแห่งเหียนให้มันสางอยู่เลยเพราะเส้าเทียเพราะแต่สางแล้วก็สามสามมันเรืองเพอแต่สางแล้วก็ทุกหยอดมันอยู่เสียละทุกหยอดมันเจ็๊ยบยอดมันแม่ล่ะตาสามสามน่ะเนี สแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปูเรือนเขา้าไายสองนะค่าตาลางังคเวสันโตน่ะเราสแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปูเรือนแสวงหาพัดสะสวงแสวงหาเนี่ยเสแบแสวงหาเนี่ยมวนแสวงหาเนี่ยเนี่นยได้เสีใหายของมีความสุขนะก็ได้เสียหายสแสวงหาอยู่แล้วก็เกิดได้เกิดโดยดูก็จะ เ, เข้าเข้ากิ <im ps> านะขเขาน่ะหากินแลวเสียบเบ่ะติดได้ลถ ติดใ น, ดนรถในซาเห็นหมมันธรรมาเขาคํานีเลือกสึ่งเดียวติ ด, ดรถซาดนะคันโแบแซบก็หานืมาปุงให้มันเสบอนน่ะปูงให้บเพื่อหมันเกิดรถซาดรถเดีย๋ยวก็ยินดีรัศดเป็ว่ายินดีมักพ่อใจชาดไปพราะการเกิดชาิไปเพราเกิดเกิดยินดีนะมันนะจะนั้นเขาเลยติดรถติดซาข้านั้งทังแสวงหาสิ่งรถหนีอยู่กันโอ้ไม่ออกเอานัานมาจีนนั่นจะเแซรบเลยแปล ว, ว่า เ, าเริ่มน่ะแต่มาบอกพายโยว่าจะไปหา บอกอาแนวคือไปบอ อ, ออกมาได้นะเพราะวันที่เกิดอีกเป็นเหตุให้เกิดขั้นพลเบิดแสบแล้วแปว่าพลันมาต้องเกิดอีกเด้อเบิดแสบตังแ่เ่อไหรกินยันก็ได้ที่เขาไม่หายหาร่างกายในยูได้พอ่อประพฤติพบอาจารย์พห่หายเจ้าของมีเฮียมีแห้งพอ่อหาชีวิตในยูได้อันอนะออ น, น, อนี้นนนนก็ดได้สินะเอื้อว่าบสิเลียร์ใการจินบติดในโลสัตผู้นี้แนวโน้มซบ่มเกิดอีกเ้วโบยินดีในการเกิด นั่นแหละเอินว่าสแสดงหาคนคนตัวไปถึงสแสดงหาในช่างปลูกเรือนอยู่แต่พระเจ้าคนสี่หนาเลยนี่เนี่ยในช่างปลูกเรือนคอยหู้แล้วเจ้ามาสั่งต่อไปเจา้าสร้างคอยไว้เลยแล้วสงบจากนั่นมาบวบปูงแต่งนะนั่งจากนั่นมากันนั่งที่ดามพยาหม่านได้นั่งตันหานั่งอารดีนั่งารงาคะมาฝอนลำงามงามนวลนว น, วนโว้ย เหตไจากนั้นพุทธเจก็เสื่อยู่น่ะบ็ดไล่กันนีไปซือน่ะเหตุยัางพาทุทธเจ้าบัดนี้เพราะว่านายสร้างปลุกเรือนบมุมีต่อมาคือโคงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสร็จแล้วนะเนี่ยตอนนี้คือสับเพสับเพสัพพาเตภัสุกาปะขันโคงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสร็แล้วที่มันสร้างไว้หลายๆเน่ะอยากดีอยากมีอยากเป็นนะหาควา ม, มอยากได้อยากดีอยากมีอกม่อยากเป็นโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสร็จแล้วพุทธเจ้าลืดเล็ดแล้ว่ะบุญมี่ยัง คือสันโดษคือชีวิตนะพระมรย์สมบูรณ์แบบคนะงเรืนอนทั้งหมดของเจ้าเราเสร็จแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้ต่อไปยอดเรือนเราก็รื้อเสร็จแล้วยอดเรือนคือจุดมุ่งหมายของความสุขทั้งโลกนะแล้วคาถาต่อมา ก, ก็คือวิหาวิสังขารกตังกิตังเป็นต้นจิตของเราถึงแล้วถึงสภาพที่อะไรปรุงแต่งไว้ได้่เนี่ยคือสรุปแล้วคือไรมัธเบิดอุบาอุบาวะไม่ว่าเป็นการปุ ได้สร้างปลูกเลี้ยนให้แต่สรุปแล้วคือจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้ต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งปัญหาคือพระนิพพานจิตปรุงแต่งว่าใดละปรุงที่เกี่ยวพ้นปรุงแต่งโดยยานปัญญากับปรุงแต่งโดยสังขารโดยตัญหาเนี่ยขัย่งกันเลยไอ้ที่เพื่นคิดเพื่นเทศเพื่อนสอนเพื่อนยางนี่ยยามมีคนมาถาว่าปรุงแต่งแต่ว่าเกิดจากจินตยานได้ยานปัญญาเป็นอะไเป็นกุศลเท่านั้น นบเวณปันเกิดปรุงแต่งอยากนั่นอยากอยากดีอยากมิอยากเป็นอามณ์น่ะอันนี้คือคาถาที่พจนตรัสมือหนีด้วยมาเนี่คาถาที่สามนีคาถาที่สามบทใดให้เนี่ยก่อนพจ น, นิพพานน่ะพิสูจนทั้งหลายกันมาเต๋อบางองค์ก็ห้องให้อยู่บางองค์ก็ปฏิบัติธรรมบางองค์กับนะดีใจพระพุทธเจ้า สิปฏิพันธนแล้วมิมีต่อไปมิผูรมาบังคับข่อยพ่นสุปัฏะนะต่อไปมิผูรบังคับข่อยดีใจใผู้ัสินพวกเจ้าจะไปเสียใจเหตุยังวสันวาดีตัวเพื่อนปฏิพันธ์มิตต่อไปเพาเตุอย่างไรมตต้ อ, มต อ, องอมิผูรมาอันนั้นถือกันีนผิดอันนี้ดีอันนี้สว้พระท่น น, นนะองค์งดีใจก็มีแต่ไงองค์เสียใจก็มีห้องให้กัแต่ครบครบอยู่มีองค์หนึ่งเลาบอกเล่าไปเดินตุกลมอยู่พูนะ่ะ เดินจงกรมอยู่มาที่นี่เราบอแสดงความดีใจหรือเสียใจแต่ซุม่มปลอล้อว่างกับบานเท่านะ่ะ ม, มักสองพระเจ้าฆ่าแต่พวกผู้เจริญองค์นั้นไม่บอแสดงความเสียใจในการจากไปพระเจ้าเลยเปเลยงกรมที่หูหนสั้นว่าพระเจ้าหู้แล้วว่าเราต้องการอย่างเอินมาถามนะเราซื้ออย่างละมาลืมซื้อเรานะเอินมาถามว่าเจ้าเฮ็ดต้งสั่นเพื่ออย่างแล้วเขาอธิบายว่าโอ้ย ตั้งแต่พระองค์ยังมีพระชนมาายุอยู่ข้าพเจ้ายังไม่ได้บรรลุอะไรเลยเขาเจ้าจะปฏิบัติธรรมให้บรรลุขณะที่พระองค์ยังมีประชนมาายุอยู่พระเจ้าก็เลืกตัดว่ า, าบุคคลผู้ใดปฏิบัติธรรมเป็นการบูชาอย่างสูงสุดเนี่แนะหละเขาบกว่ต้องไปถือเทียนเวียนน้ำเพลินดอกหอมเวียนถ้ำนะได้มายกมือตละลิเทียนโอต้ตะลิเทียนเนี่ยสัง่งกุทธะในได้โตได้เห็นมาปลุกเสกของได้เลยเพราะยังซื้อยังก่ คำแสนเนาะเป็นยั่คำแสนมาปลูกเศษเจ้าของน่ะปลูกให้มันตื่นเศษศึกษาเศษปลูกไปว่าให้มันตื่นขึ้นมาเศษมันหูเลียนหูจิตเจ้าของเลียนหูวิธีจิตของเรียนหูศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแหละเนีไปปลูกเศษไปปลูกเศษวัตถุน่นอ่าพจนมีคมสมารถปลูกเศษอ่ะตามพนเถิดแต่เขามันมีคมสมาธิสั้นเขามาปลูกเจ้าของน่ะปลูกให้ตื่นอันอื่นตื่นก็มีปะโยทัเจ้าของตื่นถอกมันบอกั้เจ้าของตื่นเน่ มีประโยชน์แระเทศเดียเนี่ยคำเสียนนะที่นี่หลังจากที่เพื่อนองค์นั่นเดินเดือดทำอยู่เพื่อนปุโรยเอื้อมมาทำเนี่ยผมเลยยกจองมาพวกเจ้าซินะการปฏิบัติบูชาปุโรยเป็นการบูชาอย่างสูงสุดบนต่อมาหองมาหายดอกนะให้ไปหาบริวารถ้ำผมเพิ่นบอกขนาดนั้นเลยเด็กฉะนั้นนันตมานึกถึงภาพหลวงปู่เทียนมือเพิ่น มือเพื่อนมรนาภพเพื่อนบอกพระเรต้องมาเรต้องมาบวชมาข้ามข่อยนะเพื่อนเห็นเลียวไปเห็นไม่ออกเขานั่งเต็มสวนทับมิงขวเห็นไหมนั่งประทับเข่าจัน่านเตมแต่วาเบิงวีดีโออกเกิดเพระท่านบวชเพราะท่านบวชเพราะเพื่นมรภาพเราต้องมาบวชปีสามสามหกนะต้นปีสามหกนะเห็นเพื่อนในวีดูดไม่ออกนั่งยกมือสับหลาบแล้วก็เห็นหพ่เทียนค่าอยยกมือ สงังแค่ว่ายกมือคนบริษัทเป็นรูปแบบต้องพยกให้เห็นว่าคอยยังมีสติอยู่เด้อเนี่ยเนี่ยก็ค่อยมือลงนะยกขึ้นยกลงให้หัวเพิ่นมีสติอยู่คุมเวทนาทของใดแล้วสุดท้ายคนก็นเหยียดขาคือมือยกอขื่นแล้วเอ็นดึงขื่นแล้วมันนีเบิดเพื่นก็ค่อยกูข้ขาะดึงขามาเนี่แล้วก็ค่อยเดียวไปเยียวไปป้าก็จบพอดีไปเพิ่นบ๊อบไทยพูดเดยมะไ ก, ก่ หมอไ่ต้องรักษาคนหมอไม่ต้องรักษาแล้วนะเพื่นไปโดยมีสติสอนจนตายสอนจนมรณภาพอันนี้คือหลวงปทีน่นกับเที่เปรียบทเทียบพระพุทธเจ้าว่าอะไรดอกแต่ว่าอุบัติเห็นว่านะการปฏิบัติบูชาีเ่เป็นการบูชาอ ย, ย่างสูงสุดบทสนิกรผลผลิตพันผลิตตรัสอีกขาถาสุดท้ายก่อนสิบวันวปลายแล้วเพื่อนใส่คาําว่าหันดทานินพิฆเควอมันตยามิโว ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบัตรนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่านะดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่านะบัตรนี้วัยธรรมะสังขาราสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาธรรมดาของมัน่ะคือค่อมเสื่อมไปเสื่อมไปสลายไปเสื่อมไปเห็นบ่ละเสื่อมจนไอเขาเหลื่อมเขาขึ้นเนี่ยเขียวขึ้นก่อนมันบ่ นะขากลอนเข่าง่ามงามเพิม่มเขาเดึงขึ้นไปก้อนเข่านะเอาเข่าขึ้นไปแล้วเขาเริ่มเอาหัวขึ้น่ตึงขึ้นเอาตาขึ้นไปนะเอาผมนะเปลี่ยนสีหยายเหนตัวเพื่อให้เกิดความสังเวชมันบะ่ห้เขาหลงมันนะเปลี่ยนผมเปลี่ยนผมใหม่เปลี่ยนหนังหาอเริ่มดึงหนังเลียนมันนะดึงหนังให้ยย่น น, นะนะจากนั้นก็หักแขงหัก ข, า, กขาตัวคนหนึ่งนั่นบอ นะดึงแข้งดึงขาไว้นะแต่ประเดี๋ยวกงบือนไปเยอโอ้ยประเดก็ต้งลุกยเยอะเลบนยอมมันเนะคอยหักแข้งหักขาไปเรื่อยสุดท้ายก็นอนหลมหมอนนอนเสื่อไปเมื่อไรจะเนี่นี่คือความเสื่อมไปเจานั้นคำว่าไวเนี่แปลว่าเสื่อมเนอะเจริญไวเนี่ยแปลว่าเสื่อมนะวายเสื่อมไปขีอายุไขเ่เห็นบอเครื่องเงี้ยไวอายุไข่บ อายุขยะนะขยเนี่ยไขขีแปลว่าสิ้นเนี่นะว่าเบิดอายุไขเนะ น, น่ะไข่จะสิ้นขีปนาวุธเนีอาวุธทำลายล้างไอ้สิ้นไปขยะอันว่าลนะ่ะก็ไม่ใช่ขีนี่น ะ, ยะขยะไม่ใช่ขีนะ อ, อีเป็นยะนะขยะก็แปลว่าสินส้นสิ่งที่เขามันสิ้นดีแล้วนะถิมนะได้เป็นขยะสิ้นดีแล้วสิ้นประโยชน์แล้วก็เลยกลายเป็นขยะภาษาบาลีมันจาสะสับภาษาบาลีขึ้นไปว่า ขยะขีเงีย่ยในบ้านท่านะน่ะนะขี่เงียเง่ยขยะขีเงีย้ยนะมาจากบาลีว่าขีา่ธาตุความสิน้นความเบิดไปนี่เพื่อนบอกไว้เบิดข้าพิสูจนั่งละลายนะให้เห็นดังสิบัทรนี้ต่อมาอัปมาเทนะสัมปาเทถะพวกท่านทั้งหลายจะประมาทเดอ้อนะการเวลาย่อมกืนทุกสิ่งทุกอย่างเม็ตัวมันเองคือมันท่านนี่ทุกคนมีคมตายไปที่เป็นเบื้องหน้าจีแล้วล่ะนะ สัพเพสตามารันติจะมาริงสุจามลิสเล่แต่เทวัลยมลิสสามิณติมเอตสังสยบุตัดไว้ญาาพปุซักบางสกุลนะฮเดเคยได้ยินเด่นบะญาภาพปุซักบงสกุลน่ะรรมามักใสขาทาสิเพราะว่าธรรมาลึกถึงคาแต้มฉะนว่าเพ่นก็บอใครลึกนึกถึงดรอกอาโยมกับวางปัับเพื่นกับอาสาถูกปุักให้แล้วคือเพื่นบอกว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงน่ะตายอยู่ก็มีกำลังสิษ ตายอยู่ขณะนี้ก็มีกําลังจะตายก็มีตายไปแล้วก็มีสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่เกิดวัทฏายตายเท่านั้ น, นตายไปแล้วก็มีเนีเป็นอดีตอาการกําลังตายอยู่ขณะนี้กำลังตายอยู่ขเขาดังยมมือสั่งว่าู้หนึ่งกำลังผงาดผงาดอยู่ก็ลายก็มีเนี่ยใจสิขาดอยู่ก็ลายเอินว่าเป็นปัจจุบันอาการและจะตายก็มีอันนี้คืออนาคตการถึงหมายถึงเท่าท่านทั้งหลายอย่าสงสัยเลยว่าเราจะไม่ตาย เราก็จะตายอย่างนั้นอันนี้คือเพื่นตัดไลยมือ น, นีินะอัปมาทเทนะสัมปะตเพราะฉะนั้นพวกท่านหลายยาประมาทยาประมาทว่าเฮาสีบวตายง่ายยาประมาทว่าเฮาสิบแข็งแห้งคือเ ก, ก่ายาประมาทว่าเฮาสีนะบตกนรกย่ า, ายประมาทว่าเฮาสีบทุกข์สินะบวให้ประมาทแล้วก็อังตถาคตัสสัจชิมาวาจานี่เป็น คำสุดท้ายของปุริเจ้ามันฝากไว้นะมันฝากไว้แล้วมันบอกคาถาในไว้อันนี้คือมือวันวิสาขะที่เมันตรัสสามคาถานี้นะแต่ว่าคนละวาระกันน้คนละเทียรกันแต่ว่ามันมาจบมือวันแล่มเออวันเลี่ยมแต่วันขึ้นวันเพ็ญสิพาคาเดือนหกนะวิสาขะปุนามีคือวันเพ็ญเดือนหกนะสิ่ง เพิ่นตัดไวบเฮาค่ะถึงมาปฏิบัติถ้ำบูชาเพิ่นนะเป็นการบูชาอย่างสูงสุดบ่ต้องไปเวียนเทียนเป็อย่างเพิ่นหนักวาดว่าอาระมันก็เวียนดี哟เห็ดดีไว้ให้หลูกเห็ดถูกไว้ให้หลานเบิงให้เขาวเวียนไปก่อนนะนย่างขี้ลายเขาปอไก่นีไก่ยัต้นใหม่หมดหรอได้สเก็ตใหม่ยังดีได้เปียกไหม่ยังดีได้กระพีใหม่ยังดีจักมือนึงเขาสือเขาหาแกนได้ดีกว่าเขาเขาเขาสนใจยังเลย ดีกว่าเขาไ่ได้อย่างเลยครั้นเขาไม่ได้อย่างปั๊บแล้วเนี่ยเอยเอื่นกูกระบอกกลับแล้วันนี้น่ะเอื่นกูบอกมาบอกปฏิบัดบอกว่าไปถ้าเอื่นน่ะอันนี้คือสิ่งที่เป็นนะกล่าวบอกไว้ในคาถาของวันวิสาขบูชาที่ห้องน่ะมาบรรจบมือนีฉะนั้พูดที่เฮ็ดถือเฮ็ดต้องที่สุดกอคือพอเขาทั้งหลายทั้งหวงผู้ปฏิบัติปฏิบัติทั้งอื่นเพวกก็ปฏิบัติกันล่ะทุกวัเพว่ก็ปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนากันฟังธรรมกันเบิด อันนี้เป็นความแล้วกัมมันนี่น่ยทางสหประชาชาติเนี่ยเขาเอาเป็นวันสากลสําคัญของโลกวันหยุดของโลกเลยได้เมือนเนี่นะสหประชาชาติเขาหยุดเลยบริเวณงานหมดนหน่วยสหประชาชาติอยู่เจนีวาอยู่สวิตเซอร์ลแลนด์เขาให้เกียรติวันของมหาบุรุษผู้ประสูตรขณ ะ, ะนั้นอาจานั้นย้อนไปถึงว่าไปอินเดียไปยังว่าเทก็นี่แหละเขาก่า ไปอินเดียแล้วขันละคนไปยังวันเนี่ยไปไปขอสุนทรไปขอหลายกุวด้วยหลายกุวเป็นลึกนึกถึงเนาะสุนทรนะมีเพื่อนบอกว่าไปไปมงไปมองบาดไหมไปมงความบาทมนะันอัศจรรย์ยุทธ์ได้หนึ่งก็ได้คําว่าขอไม่เฉเลยมงความบาทอนะ่ะแต่มาเพื่นเขาไปขึ้นไปยึงแต่มาให้มันลอยเหรียญไปลอยลอ ย, ลอยรูปปีมันภาขึ้นไปยังซึ่งป่ณ มันหามพู้อ่นขึ้นเด้อขอให้เจ้าลอยหนึ่งนะว่ามาพปแอบเป็นเทื้องมึงุ่นั้นผูนนนลฟะเฝงลอยนึ่อยนึงได้ไปกาบเบ้องทึงสุดหุ่นไปกาบผู้จารบุญทรงผู้ทั่วปนว่าผู้ใดเบิ้งดีดเด้อตาดีกันข้าจะเห็นเลขอะคนมกถึงเลขที่นี่เดียวสันมาไปเขากับวอาคิดเลี้ยงมูลีเนะาะกัไปหอดไปไ ป, ไปกาบเบื้งทึงกับกาบแล้วยกหัวขึ้นเพิ่เวอร์อเลขอะก็ม่คิดแต่ว่า มันนตัวดีบนอนตเขาบ้า่บอกดยบอกผู้ใดเพราะว่าเขาบออันนี้อยู่แล้วพอได้กลับมาเลขออกส3งสามื่มันออกตัวใดนะสามตัวตรงๆที่อัตมาก อ, อกว่าลงไปติดอิดก้อนนั้นเลยแต่ว่ามัต้องไปเห็ที่เาแล้วแนหะมันบอกสัร้อยเลยมันบอ ก, กนุนก้ <c oughs> อนนันเอือะบอกโหแ้มันกรืไปเลยเนาะผู้ใดสนใจว่ามันมือมือนั่นนะ แต่ว่าสนมากคนก็ไปขอไปขอลูกแน่ไปขอโศกขอลาบขอการงานขออจังไปต้นสวดมนต์ด้วยต้นสีมาพวงพระเจ้าทสรูปไปขอนัไนกันก็ บ, บอกว่าคนทุกคนมันเปไ ป, ไปด้วยความปรารถนาทุกคนมีความปรารถนาเบิดลแต่นะ้าวิสาขาถามเขาเน่ยแม่เจ้ามาวัดเี๋ยวจะต้องการยังพะพุมาวัดในขนาดยุคสมัย น, ะาานั้นวิสาขาเด้วยว่ต้องก้าวถึงยุคนี้ นังมามาวัดมาทำบุญหลายๆเนี่ยแม่ปาถนาสิ่งใดหรือที่มาวัดเนี่ยเขาเปนถามผู้สาวก็บอกว่าโอ้ยผู้ขาปาธนาอ่อนวปรนปาธนาไปสู้ตระกูลเฮงสามีแต่อายุยังเกิดแต่น้อยแ ต, แต่อายุสิบหกปีคุอีเดียเขาพยายามขั้นเขาได้ไปแต่งงานอายุสิบ6้าสิหกปีเนี่ยขเขาถือว่าดีขั้นเกิดนั่นแล้วกับบ๊วยูยกมาแตงแ่งเลยวันนี้นะ ทีนี้ถามผู้ที่มีสามีแล้วเด้ย่ยต้องการยังผู้ขาต้องการลูกคนแรกเป็นผู้ชายมั้ยสินะะลูกคนแรกเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะเสียเงินคั้นถามพู้นเฒ่าผู้แก่ต้องการยังก็ต้องการให้ลูกไฮรานอยู่ดีมีแห้งต้องการเศ้าเก็บเศร้าพวยต้องการอายุวันณาสุขขาพละต้องการแต่ว่านั่งเลยปูท่ทานว่าโอ้ยผมมู้ใดปรธานานิพนธได้ติหรือว มื้อผู้ปฏิปนานิพัทธ์เลยตคุณแม่มาวัดหลายๆเลยนะนี่นยคือขนาข้างพุทธกาลเนี่ยสดนเท่ากา่ามาปาถนายัปนานาปปาางาาาาปาถนาความพนทุกนล่ะมีพานบัตรบวก็ได้หรอเอาเอาพนทุกเอาคว่ำบัตทุกหน่อยเนะเริ่มจากทุกหน่อยทุกหน่อยลหน่อยลงหน่อยลงหน่อยลงนะจนมันเย็นเฮตเดนซิปทุกคนเยน็นเนาะคุณแม่ยังก็เริ่มซื้อเล่เออ คำเพียนแม่คำเพียนลืมถามแล้วล่ะจำเป็นจเพี้ยนเพียน่ยัลืมคำหนาคำเพียนป้าซื้อดีเปแต่เพี้ยนน้ำกันแม่สีทองได้เนาะคำเพลียนคำเพียนเีวโอ้คำเปียนอะเปียนมาศาสนะเปลี่ยนวัดมาว่าเปลี่ยนมาถือศีลเออเปลี่ยนไปเนาะส่วนแม่หนูเล็กยนส่วนแม่แม่หนูเล็กบมั่นใจส ขั้นอายุก็ต้องมาปะเดวติถ้าต้องการสนวนานี่ยนะ่าเราเราสั่งสมเมนูเล็กฟังประวัติเล่าเราสั่งสมเปียกกไม้ไปหลายหลายสั่งสมสเก็ดไม้เปลือกไม้ไปเอาบนบ้านใดต่ก่อนอย่เป็นคุณนน้ำมูของไทยบ้านยูแขวนสวนนดเขียรติผมได้เนี่ย่านนะยบ้านพวกชิมยนตผมได้กไปเอาเปือกไม้ันไหมพชิมย้อนผมไปธรรมดาด้วยเนาะว่าที่เขาแกนเซเลอร์บอลเลเดอร์ แก่นน mm ้ำนะพอาได้นะเป็นสาระแกนสารน้ออันน้อนี่ยคือสิ่งที่นะวันวิสาขะมืาอนี้นะแต่ว่าแต่ก่อนมานี่อยากมาปฏิบัติธรรมยู่ที่จริงแล้วก็มีภาระอยู่ดรอกนะเพราะว่าอย่างวัดตีนี่มืออื่นมมือเอื้อมมือเ้อมถ้าก็หนีจากวัดหมดเลียวองค์เดียวฝ่าวัดเนัก็เลยแต่ว่าศรัทธาในพระจันอ่า ดวงพระเนตรเพิน่นอาสาท่านในจันโอมัเดเพิ่นที่เพิ่นหายากอยู่ที่เพิ่นให้คูบาอาจารย์เข้ามาประพฤติปฏิบัติในวัดในว่าเนี่ยเพราะว่าอย่างว่าที่เพราะว่าดึงคนทะเนิดดึงยากอยากเลยแต่ว่าคดีก็บรดึงดีก็บ่บอกเหตุนาที่แค่เข้าตายเท่าน่ะดีก็บริ่บอกบอกเก่าเลยนะเพราะว่าวัดอื่นไปแล้วเนี่ยการปฏิบัติถ้ำมันไปมันของเวทีเนี่ยขั้นไป เ, เน่วขั้นภูบพิจารณาบอกใครข่วนทำไมดีเนี่นไปขัดไปขวางเพิ่น คุยว่ า, าเป็ี่ยนไปทำให้ยังบุญนะมัน่เป็นบะไรดินะตอนนั้นดีเบอร์สุยางนะแต่คันเอาพระเจ้ามาบอกเจ้าหน้าวานเนี่ยพระเจ้าเป็นผูนะ้ตัดเออโอเคได้ยังไปว่าอื่นเด้อนะมามันวัดว่าอารามเขาอยู่ในสิ่งที่เพิ่นมาอุปธรรมบารุงนี่แหละนะเพิ่งเกษมีมวลเน่เทว ด, ดาเพิ่งจกเป็นเทว ด, ดาอยู่นะเนื่องเป็นเทว ด, ดาจรงจังกี า, าก็มีหดิโอตปาเห็ุในห้องเด้กั่งปฏบัรอยู่ในขย้อนเปียกไม่เพิ่งนินะ่งเนาะ เนี่้เราด้มาต้องฝึกทำขั้นตอนนั่งอยู่กลางเดินกับบ่ใดล่ะมุขผููมองประพฤติปฏิบัติว่าเราจะเรื่อนลงเรื่องเอาเนาะแสดงมนีก็ปฐมสมว่าปฐมหลือปฐมหน่อยๆอันนี้ก็เก่าบ่งพอดีนะก่ข อ, อนมัฏฐานาสาธุการแล้วก็อื่อขอก่าขอพระคุณท่านพระจานทร์ดวงพระเนตที่เป็นมีทัศนคติสัมมาทิฐิในทางนี้เขาจึงได้มาประพฤติปฏิบัติ ได้มาัยส่ทานที่เพลินได้อาศัยนาอาศัยไฟอาศัยนะสิ่งที่เพลินเฮตุ ด, ด้วยศรัทธานะแล้วก็เพลินเสีเห็ุต่อไปมือเสียสาราใหญ่ไว้ให้จุดประสงค์เพลินเบื้องเหตอย่างก็เหตุไว้เห้ว่างปฏิบัติธร้ำ น, นี่แหละเพลินเห็นว่ายางจุกกรมอโอ้มันหน่อยมันแข่ก็เทคนมาลายคนนีเหตุจงไหนะต่อไปผู้เพลินต่อไปคนที่มีความทุกลายขึ้นเขาว่าลายขึ้นเนีย่ยมาประพฤติปฏิบัตินีม่มองเทศหมองกันอย่างดีๆเขาก็ะซิะหาหม่องหยุดอกอะ เหตุเป็นจุดประสงค์กระสั่งไว้เพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นเป็นอันดับที่หนึ่งอันดับสองก็เป็นประเภทนี้พระธรรมกับธรรมดาก็รักษากันไว้นีอันนี้คือความจิงใจความตั้งใจเพื่อนก็ขอให้ความป่าทะนางประจาย์จงสําเร็จและคอยไม่ออกไปตนทุกผู้ทุกคนเนาะคอยนะยังกี่ไรก็อายุยืนนะยืนเพื่อยังเพื่อได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมีวันณะดีก็เพื่อไดนะผ่องใสแล้วก็มีกําลังนะแล้วก็มีความสุข จากการบริอินอมิตรโจทุพูทุกคนด้วยเถิน